จเจริ่อนท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2558เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาเสริมความงามให้แก่ชีวิตจิตใจเพราะความสวยความงามที่แท้จริงต้องสวยที่จิตใจต้องงามที่จิตใจความสวยความงามทางร่างกายจะไม่ประทับใจเท่ากับความสวยความงามของจิตใจ ต่อให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตามถ้าจิตใจไม่สวยงามจะไม่เป็นที่ปรารถนาของผู้ที่ได้รู้จักมักคุนแต่คนที่ไม่รู้จักมากคุณอาจจะยังไม่รู้ก็อาจจะหลงชอบความสวยงามของทางร่างกาย แต่พอได้รู้จักมากุณแล้วเห็นจิตใจที่ไม่สวยงามก็จะทำให้เสื่อมศรัทธาเสื่อมความชื่นชมยินดีได้แต่ในทางตรงกันข้ามถึงแม้รูปร่างหน้าตาทางร่างกายจะไม่สวยไม่งามแต่ถ้าสวยงามทางจิตใจแล้วผู้ที่ได้สัมผัสกับความสวยงามของจิตใจ จะเกิดความประทับใจจะเกิดความชื่นชอบชื่นชมยินดีเพราะความสวยงามทางจิตใจเป็นความสวยงามที่ประทับใจนั่นเองสามารถชนะความสวยงามของทางร่างกายได้เปรียบเทียบยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเรา รูปร่างหน้าตาก็ไม่ได้สวยงามตรงไหนสีสะโลนแต่กลับมีคนรักคนคารพบพระพุทธเจ้ากันมาตลอดระยะเวลาส5งพันกว่าปีด้วยกันเพระสองของเจ้าที่ญาติโยมเข้ามากราบไหว้เข้ามาแสดงความคารพรูปร่างหน้าตาของท่านก็ไม่ได้สวยงามตรงไหน ศีรษกะก็โลนแต่ยาตยโยมกับมีความชื่นชอบยินดีที่จะพบปะคบค้าสมาคมด้วยเพราะพระภิกษุพระพุทธเจ้าท่านสวยทางจิตใจงามทางจิตใจอะไรที่ทำให้ใจของพวกเรางามทางใจก็คือคุณธรรมสี่ข้อด้วยกันคือหนึ่ง จาคะการเสียสละสสัจจะความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่คดไม่เบี้ยวไม่โกงข้อที่สก็คือธรรมะแปลว่าความอดกลั้นข้อที่สคือขันติความอดทนผู้ใดมีคุณธรรมสี่ข้อนี้อยู่ในตนเองแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพบปะกับใครจะเป็นผู้ที่น่ารักน่าชื่นชอบน่าชื่นชมดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ตัวเรานี้เป็นที่รักของผู้ไม่เกลียดชอบเราไปตลอดขอให้เรามาเสริมความงามทางใจกันเช่นสามีหรือภรรยา อยากจะให้เขารักเราไปจนวันตายต้องมันเสริมความงามทางจิตใจเพราะความงามทางร่างกายต่อไปมันก็จะร่วงโรยไปถ้าไม่มีความสวยงามทางจิตใจเป็นเครื่องดูดดึ่งจิตใจแล้วเขามักจะทิ้งเราไปได้เช่นสามีพอภรรยาแก่ลงไปก็ไปหลงกับสาว อายุน้อยๆก็ทิ้งภรรยาไปไปอยู่กับสาวาะไปหลงกับความงามของร่างกายและภรรยาที่อยู่ด้วยก็ไม่มีความงามทางจิตใจดึงดูดเขาไว้ไม่มีการเสียสละไม่มีสัจจะความซื่อสัตย์ไม่มีความอดกลั้นไม่มีความอดทน ถ้าปัาสะจากคุณธรรมสี่ประการนี้แล้วต่อให้รูปร่างหน้าตาสวยงามขนาดไหนก็ตามจะไม่สามารถดึงดูจิตใจของผู้อื่นให้อยู่กับเราไปได้ให้ชอบเราไปได้ไปตลอดดังนั้นขอให้เราให้ความสาคัญต่อความเสริมความงามทางจิตใจกันเพราะเป็นความงามที่ไม่มีเสื่อม คลายไปตามการตามเวลาเพราะคุณธรรมทั้งสีน่นี้จะไม่เสื่อมไปจากใจของผู้ที่ได้สร้างขึ้นมาเพราะเมื่อสร้างขึ้นมาได้ก็จะรักษาไว้ได้เมื่อรักษาคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ก็จะสามารถรักษาพวามงามไปได้ไปตลอดไม่ว่าร่างกายจะแก่ลงไปจะหิวลงไป ผมจะหมอกหลังจะโคง้งแต่จะไม่มีใครรังเกียจจะมีแต่คนรักคนชอบเสมอดังนั้นขอให้เรามาสร้างคุณธรรมที่เสริมจิตใจของเราให้สวยให้งามกันคือหนึ่งจากคต้องรู้จักการเสียสละให้เราเสียสละความสุขและประโยชน์ ของเราที่เรามีมากเกินไปให้แก่ผู้ไปบ้างเช่นถ้ามีเสื้อผ้ามากเกินไปก็เอาไปแจกจ่าย ใ, ให้กับคนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่บ้างเสื้อผ้าเราล้นตู้แล้วเราก็ไม่ได้ใส่ของอะไรที่เราไม่ได้ใช้ถ้าเก็บไว้นานเกินหเดือนหรือปีหนึ่งก็ควรเอาไป แบ่งปันแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนผู้ที่เขาขาดแคลนจะดีกว่านี่คือเรียกว่าการเสียสละประโยชน์และสุขของตนให้แก่ผู้อื่นจาคะแปลว่าการเสียสละเสียสละแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักไม่มีใครเขาเกลียดคนที่แบ่งปัน คนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบไม่เห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์เห็นความสุขของผู้อื่นสำคัญกว่าประโยชน์และความสุขของตนเองถ้าเราเสียสละได้เราจะมีเพื่อนมากเราจะมิตรมีมิตรมากจะมีคนรักเรามากและเวลาที่เราเดือดร้อน จะมีคนมาช่วยหรือเรามากดังนั้นขอให้เราหัดมาฝึกจาคะกันก็คือการเสียสละกันพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเสียสละอยู่สามสี่ขั้นด้วยกันคือขั้นที่หนึ่งก็คือให้สละทรัพย์ขั้นที่สองก็ให้สละอวัยวะขั้นที่สามก็ให้สละชีวิต เพื่อรักษาความสวยงามของจิตใจถ้าเราต้องเลือกระหว่างการเสียทรัพย์กับการไม่เสียทรัพย์เพื่อรักษาความงามของจิตใจพระธเจ้าบอกว่าให้เสียทรัพย์ไปเพราะทรัพย์นี้ไม่มีคุณค่าเท่ากับความงามของจิตใจความงามของจิตใจนี้จะดึงดูดทรัพย์มาเองในภายหลัง ไม่ว่าเราจะโอดอยากขาดแคลนอย่างไรดูพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ละองค์ท่านก็เสียสละมีทรัพย์มีสมบัติมีข้าวของเงินทองก็สละไปจนไม่มีอะไรติดตัวเวลามาบวชแต่พอบวชไปแล้วทรัพย์กลับมากันมากมา ย, กายก่กลกองญาติโยมนำอัฐปัจจัยเงินทองมาถวายกัน ไม่หวไม่ไหวไไหล ว, วงพ่อหลวงตาแต่เราเนี่มีเงินทองมากมายก่ายกองทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ทำมาหากินไม่มีงานมีการแต่ท่านมีจากะท่านมีความเสียสละเงินทองที่ญาติโยมให้มาท่านก็ไม่เก็บเอาไว้ไม่เอามาใช้ให้กับตนเองเอาไปช่วยเหลือผู้ ไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือไปสร้างสาธารณกุศลต่างๆเช่นสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทำอะไรต่างๆเพื่อประโยชน์สุขของส่วนหลวงผู้ที่เสียสละนี่แหละจะเป็นผู้ที่มีความสวยงามดังนั้นขอให้เราพยายามต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของ การเสียสละ ก, ก็คือความโลภและความเห็นแก่ตัวขอให้เรา ล, ลึกเสมอว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายไปจะโลภ ก, กันไปถึงไหนจะเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกันไปถึงไหนไปถึงวัดก็เอาไปไม่ได้แล้วเวลาตายไปเขาไม่ขนทรัพย์สมบัติพาเราไปไปที่วัดด้วย เขาเอาแต่ร่างกายเราไปเท่านั้นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราโลภหามาได้แทบเป็นแทบตายมันจะกลายเป็นของคนอื่นไปหมดแล้วขณะที่เราโลภเราก็จะไม่มีความเสียสละเพราะความโลภนี้มาจากความเห็นแก่ตัวความอยากได้ไประโยชน์สุขให้กับตัวเองมากๆจึงทำให้ไม่สนใจ กับประโยชน์สุขของผู้ไม่สนใจที่จะแบ่งปันไม่สนใจที่จะช่วยเหลือผู้เพราะความโลกความเห็นแก่ตัวนี้ทำให้มองไม่เห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้จึงไม่สามารถที่จะสร้างจารกะคือความเสียสละขึ้นมาได้ก็จะทำให้เป็นคนหน่ารังเกียจไม่มีใครชอบคบค้าสมาคม กับคนที่เห็นแก่ตัวกับคนที่มีแต่ความโลภน้อมลาบน้อมทรัพย์น้อมประโยชน์ใส่ตนเพียงอย่างเดียวนี่แหละเราต้องต่อสู้กับมันด้วยการนนึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาโลภอยากได้อะไรเวลาจะทาอะไรให้เห็นที่เป็นความเห็นแก่ตัวขอให้เราเลว่าเดี๋ยวเราก็ตายไปแล้ว แล้วเราก็จะเอาเอาความโลภความเห็นแก่ตัวนี้ไปกับเราความโลภความเห็นแก่ตัวพาไปก็จะไปสู่อบายเ<อ>พราะมันทำให้ใจทุกข์นั่นเองเวลาที่จะตายนี่คนที่มีความโลภความเห็นแก่ตัวนี้จะทุกข์มากเพราะไม่รู้จักปล่อยวางไม่รู้จักปล่อยชีวิตพระพุทธเจ้าจึงสอนให้หัดปล่อยวางให้เสียสละเสียสละทรัพย เสียสละอวัยวะแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องตายก็เสียสละชีวิตไปแล้วใจจะสงบใจจะมีความสุขใจจะไปสู่สุขคติไม่ไปเกิดในาบาปนี่คือเรื่องของคุณธรรมข้อที่หนึ่งที่จะทำให้เราเป็นคนสวยงาม น, น่ารักน่าชื่นชมคือการเสรียสละเรียกว่าจาคะ ข้อที่สองที่จะทำให้เราเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมก็คือสัก์จะความซื่อสัตย์ความซื่อตรงพอเรานี้เวลาคบกันนี้เราก็คบกันด้วยความไว้เนื้อวางใจกันถ้าไว้ใจกันไม่ได้ก็คบกันไม่ได้คนที่ไว้ใจไม่ได้ก็คือคนไม่ซื่อสัตย์นั่นเองคนโคตคนโกคนโกห ก, กหลอกลวง เรียกว่าเป็นคนไม่มีสัจจะไม่มีความซื่อสัตย์อยู่กับใครก็จะเป็นที่รังเกียจเราชอบคนซื่อสัตย์หรือเราชอบคนไม่ซื่อสัตย์เราชอบคนซื่อตรงหรือเราไม่ชอบหรือเราชอบคนไม่ซื่อตรงคนคดคนโกงกับคนไม่คดไม่โกงนี้คนไหนหน่ารักกว่ากันถ้าเราอยากจะให้เป็นคนที่น่ารัก เราต้องมีความซื่อสัตย์อย่าคดอย่าโกงอย่าโกหกหลอกลวงอย่าไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาอย่างนี้เรียกว่าคดโกงไปรักทรัพย์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่อนุญาตหรือไปยุ่งเกี่ยวกับสามีภรรยาของผู้อื่นหรือไปโกหกหลอกลวงผู้อืนนี่เรียกว่าเป็นความไม่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ชื่อตรงเป็นคนที่น่ากลัวใครอยู่ใกล้ก็จะหวาดระแวงว่าจะมาขโมยเงินทองของเขาเมื่อไหร่จะมาขโมยภรรยาสามีของเขาไปหรือไม่จะมาโกหกหลอกลวงหรือพูดความจริงคนที่ไม่มีสัจจะจะเป็นคนที่น่ากลัวไม่น่าคบค้าสมาคมด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่มีสัตว์จะมีความซื่อสัตย์นี้จะเป็นคนที่ไว้วางใจได้อยู่กับเขาแล้วเราจะไม่หวาดกลัวเพราะเรารู้ว่าเขาจะไม่คดไม่โกเขาจะไม่มาลักทรัพย์ของเราไปเขาจะไม่มาแย่งสามีภรรยาของเราไปเขาจะไม่มาโกหกหลอกลวงพูดเท็จกับเรา นี่แหละคือคุณธรรมข้อที่สองที่เราควรที่จะสร้างกันขึ้นมาก็คือสัจจะสัจจะนี่ก็มีหลายรูปแบบสัจจะต่อตอนเองก็มีสัจจะต่อผู้อื่นก็มีต่อผู้อื่นก็คือเวลาเราพูดกับเขาแล้วรับปากกับเขาแล้วว่าจะทำอะไรเราต้องทำตามที่เราพูด ถ้าเราไม่ทําตามที่เราพูดนี้สแสดงว่าเราไม่มีสัจจะแล้วต่อไปจะไม่มีใครเขาเชื่อคําพูดของเราเช่นเราไปยืมเงินเขาแล้วบอกว่าจะคืนให้เขาภายในเจ็ดวันสิบวันพอถึงเวลาก็ไม่คืนให้คืนให้กับเขารางต่อไปเวลาเราขาดเงินทองจะไปขอยืมเงินเขาอีกเขาจะไม่ให้เรายืม เ่็เขารู้ว่าให้ไปก็จะไม่ได้คืนราะไม่มีสัจจะนี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไม่ว่าเราจะให้สัจจะกับใครไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามต้องรักษาให้ได้อย่างเวลามาวัดแล้วมาสมาทานศีลกับพระอันนี้ก็เป็นการให้สัจจะกับพระแล้วว่าจะรักษาศีล5ข้อเช่น จะไม่ฆ่าสัตว์รักทัพ์ประพฤติผิดประเวณีพูดปวดเสพสุรายามเมาถ้าตั้งสัจจะแล้วต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้จะเป็นคนล้มเหลวจะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นการรักษาศีลได้ถ้าเรารักษาศีลได้นี่เราจะปิดประตูะบายได้เลยตายไปไม่ต้องไปเกิดในบาย ถ้ารักษาศิ่ห้าดา <Holmes. S 1> นี่แหละคือสิ่งที่เราจะจ ะ, จะทำ mm hmm. ได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเรามีสัจจะหรือเปล่าส่วนสัจจะกับตัวเราเองก mm. ็เช่นเดียวกันเราก็ต้องอย่ากโกหกตัวเราเองเช่นถ้าเราตั้งสัจจะว่าจะทำบุญทุกวันจะใส่บาตรทุกวันเราก็ต้องทำให้ได้ถ้าเราทำ mm hmm. ไม่ได้ เราก็จะไม่สามารถรับประโยชน์จากการทําบุญตักบาททุกวันได้และเราก็จะเป็นคนล้มเหลวไม่ว่าจะทำความดีอะไรก็จะไม่สามารถทำได้บางคนมีความทุกข์มาวัดแล้วก็มาตั้งสัจจะ บ, บนบานกับพระพุทธรูปว่าถ้าหายทุกข์หายเจ็บหายไขย้หรือพ้นจากความทุกข์ยากลำบากนี้แล้วจะมาบวช สามวันเจวันเรือกสเดือนแต่พอหายจากทุกข์ภัยไข้เจ็บแล้วก็เปลี่ยนใจอย่างนี้ก็เป็นการโกหกพระพุทธรูปแต่พระพุทธรูปท่านไม่สําคัญเท่ากับการโกหกตัวเราเองโกหกหลอกลวงคนอื่นนี้เข า, าอาจจะไม่รู้แต่โกหกเราเนี่เราเป็นผู้รู้และเราจะเป็นผู้รับโทษ เพราะเราจะไม่สามารถทำสิ่งที่ดีที่งานต่างๆได้ดังนั้นพวกเราต้องมีให้ความสำคัญต่อสัจจะวาจาสเสมอมีคำพูดว่าคำพูดของเรา n ี้ก่อนที่จะพูดเราเป็นนายแต่หลังจากที่เราพูดไปแล้วเขาจะเป็นนายถ้าเรายังไม่พูดเรายังไม่ตั้งสัจจะว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ เราก็เปลี่ยนใจได้เราไม่อยากจะทำเราก็ไม่ทำก็ได้เพราะเราไม่ได้ตั้งสัจจะเอาไว้แต่ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วว่าจะทาอย่างนั้นจะทาอย่างนี้สัจจะของเรานี้มันจะเป็นเจ้านายของเรามันจะบังคับให้เราทำตามที่เราพูดเอาไว้เช่นเวลาเราแต่งงานกันเราก็ต้องตั้งสัจจะว่าจะรักกันไปจนวันตายนี่เรา ก่อนที่เราจะแต่งงานเราคิดให้ดีก่อนว่าเราจะสามารถทำตามคำพูดนี้ได้หรือไม่ว่าเราจะรักกันไปจนวันตายถ้าจะรักกันไปจนวันตายได้นี้จะต้องมีจาคะมีสัจจะมีธรรมะความอดกั้นและมีขันติความอดทนเพราะชีวิตของคู่ครองนี้ไม่ใช่จะหวานไปเสมอ ไม่ใช่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบไปเสมอจะต้องมีขวากมีหนามมีความทุกข์มีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนถ้าไม่มีการเสียสละไม่มีความอดก้านอดทนจะไม่สามารถที่จะรักษาสัจจะที่จะรักกันไปจนวันตายได้เช่นเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ลำบากลำบนถ้าไม่มีขันติความอดทนนี้จะอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้พอมีใครเขามีข้อเสนอที่ดีกว่ามีเงินทองมากกว่าเราก็จะต้องทิ้งคนที่เราตั้งสัจจาว่าจะรักกันไปตลอดหรือเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์เป็นอมันอมพาตไปเรายังจะรักษาสัจจายต่อไปได้หรือเปล่า ถ้าเราไม่มีจาคะความเสียสละถ้าเราคิดแต่จะหาความสุขใส่ตัวเราเราจะอยู่กับเขาไม่ได้เพราะเขาไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้อีกแล้วเวลาเขาเป็นอมภพเป็นอมภ่าไปแต่ถ้าเราคิดว่าเราได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะรักกันไปจนวันตายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องมีจาคะความเสียสละ ยอมเสียสละความสุขของเราอยู่กับเขาดูแลรักษาเขาให้เขามีความสุขบ้างไม่ให้เขาทุกข์มากจนเกินไปนี่คือเรื่องของการตั้งสัจจะดังนั้นก่อนที่จะแต่งงานคิดให้ดีซะก่อนว่าจะอยู่กันไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ถ้าจะอยู่ตลอดรอดฝัง่งก็ต้องมีจาระการเสียสละ ต้องมีสัจจะความซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อกันต้องมีธรรมะความอดกลั้นและมีขันติความอดทนความอดกลั้นก็คืออดกั้นข่มใจนั่นเองเวลาใจเกิดอารมณ์ไม่ดีต่างๆขึ้นมาอย่าระบายออกมาเพราะจะทําลายความรู้สึกของผู้อื่นจะทําให้ผู้อื่ น, นี้ไม่ชอบเราไม่รักเรา เวลาเราโกรธเราอย่าระบายออกมาเวลาเรามีอารมณ์ไม่ด <è Peters maya> ีอย่าระบายออกมาเวลาเรามีความโลภอย่าระบายออกมาช่าวิธีข่งใจด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลารู้สึกว่ามีอารมณ์ไม่ดีให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาใครทำอะไรให้เราไม่พอใจ ให้บริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจแล้วเดี๋ยวความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องแสดงอาการที่ไม่น่าดูออกมาคนที่เวลามีความโกรธมีความโลภมีความไม่พอใจนี้ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมใจไว้ ไม่มีฟุตโทคอยควบคุมไว้จะแสดงอาการที่ไม่น่าดูออกมาแล้วจะกลายเป็นคนที่น่าเกลียดไปคนที่เคยรักเราเขาก็จะไม่รักเรานี่คือเรื่องของความขมใจธรรมะและขันติความอดทนชีวิตของเรามันเหมือนกับขึ้นเขาลงเขาเดินทางไปมีทั้งขึ้นมีทั้งลงไม่ใช่ว่าจะสุขไปตลอด ไม่ใช่ว่าจะสบายไปตลอดบางครั้งก็ต้องมีความทุกข์ยากลำบากมีการอดอยากขาดแคลนมีปัญหาต่างๆเข้ามาถ้าไม่มีขันติความอดทนจะไม่สามารถที่จะรักษาความดีงามเช่นสัจจะจะค้าความเสียสลับได้งั้นขอให้เราพยายามฝึกสร้างขันติขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ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 เราจะไม่ไปทำร้ายผู้เราจะไม่ทำอะไรให้เกิดความเสียหายแก่ผู้แล้วใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายถ้าเรามองโลกในแง่ดีไปเรื่อยๆนี่คือคุณธรรมสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาฝึกมาสร้างกันมาเจริญกันถ้าเรามีคุณธรรมคือจาคะ ความเสียสละสัจจะความซื่อสัตย์ธรมะความอดกั้นและขันติความอดทนเราจะรักษาความสวยความงามของจิตใจของเราไว้ได้จะทำให้ผู้อื่นนั้นมีแต่ความรักความชอบเราไปไม่ว่าร่างกายของเราจะเป็นอะไรไปไม่ว่าชีวิตของเราจะตกต่ำจะยากจน หมดเนื้อหมดตัว mm. ก็จะไม่มีใครเกลียดเราจะมีแต่คนรักเราและพร้อมที่จะมาช่วยเหลือเราเสมอนี่แหละเรื่องของความสวยงามที่แท้จริงต้องสวยงามทางจิตใจต้องสวยด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้คือจาคะความเสียสละสัจความซื่อสัตย์ ธรรมะความอดกลั้นและขันติความอดทนแล้วเราจะเป็นคนที่น่ารักไปตลอดไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนพบไหนชาติไหนถ้ามีคุณธรรมทั้งสีประการนี้ติดตัวไปจะไปเกิดดีเสมอจะเป็นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดีเสมอจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาเสริมความงามด้วยคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ ให้ท่านได้นำเอาไป พ, พิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลอันดีอันเลิกที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันสุขภลระโดยทั่วหน้ากันเธอ